أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, وس ص ل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يقه قولي Allahumma ัลลิม์นะ์์์์ ن ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ ن نا نا ر ر ا ์์ ن ์ ا ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ัลลิม์นะ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ เราสู่กันฟังต่อนะครับเรื่องราวของจุลกร์นัยไม่แน่ใจว่าจะจบคืนนี้หรือเปล่านะครับเราเล่าไปแล้ว เ, เรื่องการเดินทางของจุลกร์นัยหนึ่งตอนอวันนี้เราก็จะมาต่ออินชาอัลลอ์สุบฮานาวาตาเรามาดูซิว่าบรรดานักวิชาการได้พูดถึงเรื่องราวของจุลกร์นัยและ บทเรียนที่ได้รับเอาไว้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายัดที่89สเกาะ u r a t u l Qafi แปกครับ أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم <ت ص في ق> ثم أتبع سببا حتى ด้าบลามุทลิอันชัมส์ว่าจัตวา ج ع ل لهم. לא يكادون يحقون قولا الحمد لله. อส่วนหนึ่งนะครับจากอายะที่เราจะอธิบายในค่าคืนนี้ ย้อนไปกลับไปนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวของสุลต่านในเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของสุลต่านในเนี่ยมีรายมีรายงานต่างๆมากมายเหลือเกินที่ไม่ค่อยจะมีน้ําหนักสักเท่าไหร่ดังนั้นนักวิชาการสมัยใหม่ก็เลยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเอาล่องสมภานะแต่เราต้องการให้เรารู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับสุลต่านในเราก็ เจาะจงหรือเจาะลึกโฟกัสไปในส่วนที่อาราตะลาต้องการบอกให้เราทราบนั่นก็คือเรื่องราวในสุรัตุลแกฟีนะครับอาราะตาละลาต้องการบอกอะไรเราโฟกัสตรงนี้ก่อนส่วนเรื่องยิบย่อยต่างๆนานาว่าตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีบอกแล้วก็มันไม่มีหลักฐานที่มีน้ําหนักมากพอที่จะไปฟันธงว่าอยู่เมืองอะไรไปไหนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไป ไปเจาะลึกถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขาอธิบายให้เราเข้าใจทีนี้โยกร์ไนเนี่ยพระสูภานองตะลาให้อำนาจแล้วก็ให้ความสะดวกสบายต่างๆกับเขาจนสามารถเดินทางพากองทัพของตัวเองเนี่ยเดินทางไปทางอาตอนแรกที่เราเล่าไปแล้วก็คือที่เราอ่านไปแล้วก็คือไปทางทิศตะวันตกก่อน ไปทางที่ตะวันตกจนสุดเขตที่เป็นแผ่นดินก็คือดวงอาทิตย์ตกในทะเลที่เป็นน้ำสีดำแลก็คือสุสสสดเขตตะวันตกก็ไปเจอนะครับอรัสสุภาวัตาลาก็ถามเขาว่านะไปเจอคนซึ่งไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่อละออรัสตะละก็เลยให้ตัวเลือกกับจุลกอร์ไนน์ว่าจะจัดการกับคนกลุ่มนี้อย่างไร จะประหารทำสงครามแล้วก็ยุดทรัพย์สินเฉลยเอากลับไปเป็นทาสเป็นอะไรทั้งหมดเลยหรือเจ้าจะทำอย่างไรให้สุลกรไนเลือกสุดท้ายสุลกรไนก็เลือกที่จะใช้วิธีการาในอัลกุรอานบอกว่ายัางไงน ะ, นะ กล่าวายาด القرن นัอิม่ะอันตูอัลฎบะวอิม่ะอันตัตทัคิะฟิหิมุษณาอัลลอฮฺ تعالى ทําจุลครนนว่าเจ้าจะลงโทษคนเหล่านี้จะทําสงครามกับคนเหล่านี้หรือจะจัดการอิททิคาลตัตัคิะฟิหิมุษณาเนนักวิชาการอธิบายว่าหรือเจ้าจะใช้วิธีการประนีประนอมด้วยการดะวะให้คนเหล่านี้รู้จักอัลลอก่อน ด้วยการเชิญชวนพวกเขาสู่การศรัทธาต่อ a ล l a h จะเลือกใช้วิธีไหนจะเลือกใช้แบบมาถึงปุ๊บโจมตีเลยทำสงครามเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงหรือจะใช้วิธีที่สองแต่ะขฟีฮิมุสนาตัวเลือกที่สองก็คือเจรจาด้วยดีนำเสน อ, อตัวเลือกทางเลือกให้กับคนเหล่านั้นตรงนี้ปรากฏว่าโจรในเนี่ย เลือกเอาวิธีที่สองนั่นก็คือนําเสนอการเดาว่นานะเชิญชวนคนเหล่านั้นให้รู้จกักอัลลอฮ์ตาลาก่อนแล้วค่อยมาดูว่าจะมีคนที่รับข้อเสนอนี้กี่คนมีใครที่รับศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็มีใครที่จะปฏิเสธเห็นไหมครับจากการเลือกของซุลก้อนไนตรงนี้ทําให้เราได้เห็นถึง ความยุติธรรมของกษัตริย์ผู้นี้นะครับที่ไม่ได้ว่าเออไปบุกเมืองไหนก็คือเข้าไปโจมตีเข้าไปทำลายเมืองโดยที่ไม่ได้เจรจากับชาวเมืองโดยที่ไม่ได้นำเสนออะไรกับชาวเมืองเลยหลวงกรณไม่ได้ทาอย่างนั้นแต่สิ่งที่เริ่มทำก็คือเริ่มด้วยการเชิญชวนคนเหล่านั้นให้รู้จักอล l l a h ก่อนหลังจากนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาเลือกว่าจะรู้จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาพอผลออกมานั่นแหละ จึงจะเริ่มกระบวนการหลังจากนั้นที่คนสุรกรานบอกว่าฟาอัมมามัลลมะฟาวฟนุอาซิบุซุมมายูรัดดุอีลารับบิฮีฟาอูอาซิบุฮอซาบันนุกรอเจรจาเสร็จแล้วเชิญชวนเสร็จแล้วบอกให้ศรัทธาตาลัตาลาเสร็จแล้วคนที่ไม่ยอมศรัทธาคนเหล่านั้นแหละที่เราจะลงโทษ ส่วนคนที่ศรัทธาละส่วนคนที่ศรัทธาะอามาอามะละะฟะจอันอลฮุสนาคนที่ศรัทธาคนที่ยอมรับข้อเสนอเราก็จะปล่อยพวกเขาไป แล้วก็พวกเขาก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจาก Allah Subhanahu Taala นี่คือกระบวนการของก็รไกรซึ่งวิธีนี้เนี่ยในยุคของท่านนบีสุลต่านก็เป็นวิธีเดียวกันเวลาที่ท่านนบีส่งกองทัพไปบรรดาอิสลามไปทําสงครามไปที่ไคบัตยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างตอนที่อิสลามไปที่ไคบัตตอนที่ท่านอาลีเป็นอบดุลลาอรับคําสั่งจากท่านนบีสุลต่านให้นํากองทัพไปที่ไคบัตท่านนบีก็สั่งท่านอาลีว่า ให้เริ่มด้วยการด่าว่าพวกเขาสู่อิสลามก่อนถ้าเขายอมรับอาจปล่อยไปถ้าไม่ยอมรับไปที่ข้อเสนอที่สองในอิสลามจะมีข้อเสนอที่สองก่อนก็คือให้จ่ายยิสเซียจ่ายยิสเซียก็คือเหมือนกับเป็นค่าบรรณาการยอมจ่ายถ้ายอมจ่ายก็ไม่มีสงครามให้อยู่ในศาสนาเดิมได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ยอมรับอิสลามไม่ยอมจ่ายยิสเซียนั่นแหละจึงจะเริ่มทํำสงคราม นะ จ, จึงจะเริ่มโจมตีมันมีขั้นตอนของมันแล้วท่านนบีก็ยังบอกด้วยนะครับว่าละอันยะฮดีอัลลอฮูบิการาจุลันวะฮิดันไคลรุละการเป็นผูมรินน้ำฮัติษบทนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็คือเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้แหละเหตุการณ์ที่ท่านนบีสุลตาระสลามบอกท่านอาลีว่าการที่เจ้าทําให้คนคนหนึ่งได้รับฮิดายัดได้รับฮิดายัดแค่คนเดียวเหตุใดที่ว่าทําไมต้องเชิญชวนเข้าสู่อัลลอฮฺอาละก่อนเพราะว่า จริงๆแล้วจุดประสงค์ของสงครามเราไม่ได้ไปฆ่าคนสงครามในอิสลามไม่ได้มีจุดจุดประสงค์เขาเรียกว่าจุดประสงค์หลักจุดประสงค์แรกเพื่อทำลายคนอื่นไม่ใช่สงครามหรือกระสุนของท่านนาบี ส, ละละสลุลตลานเนี่ยเป็นการปูทางให้สามารถนําเสนออิสลามกับคนเหล่านั้นได้เพราะว่าคนเหล่านั้นบางทีบางเมืองบางประเทศบางสมัยก่อนในอดีตเนี่ยไม่ยอมให้มุสลิมเข้าไป อิสลามไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นต้องเปิดพื้นที่ให้อิสลามสามารถเข้าถึงเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเราไปบอกให้เขารู้จักอัลลอฮ์ไปบอกให้เขารู้จักอิสลามมีหลายข้อสังเกตที่บรรดาคนที่เขาพยายามจะหาข้ออ้างว่าอิสลามเนี่ยเผยแพร่ด้วยคมดาเหตุที่อิสลามมันกระจายไปทั่วทุกแห่งทุกแผ่นดินเนี่ยเพราะอิสลามทําสงครามมาตลอดถ้าไม่มีสงครามอิสลามก็ไม่จะไม่ขยายถึงขนาดนี้ เราก็จะตอบเขาว่าแล้วที่อิสลามมาที่ประเทศเราเข้ามามาด้วยอะไรอิสลามมาที่อินโดนีเซียมาด้วยอะไรอิสลามมาที่แหลมมาลายูมาด้วยอะไรา ม, มาด้วยสงครามหรือมาด้วยอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าสมมุติว่าการแพร่ขยายของศาสนาที่เกิดจากการใช้กำลังจริงๆเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวคนก็จะลุกฮืออ่ะถับไล่พวกอัลันักล่าอนาณิคมเห็นไหยบรรดา น, นักล่าอนาณิคมไม่ได้ประสบความสาเร็จในการที่จะ สุดท้ายต้องกลับไปประเทศตัวเองแต่อิสลามยังคงอยู่ในประเทศที่ในรัฐหรือในดินแดนที่กองทัพของมุสลิมไปถึงเพราะว่าจุดระสงค์สงครามในอิสลามไม่ได้ไปเพื่อทาลายบ้านเมืองเขาไม่ได้ไปเพื่ออย่างนู้นอย่างนี้แต่ไปเพื่อนําริซาแหละนำสารจากลัทธิอัลลอฮ์ให้ไปถึงผู้คนนะครับนี่คือวิธีการของโจรป่านงยซึ่งเราก็เห็นวิธีการนี้ในสมัยของท่านนบีสโลลลอห์สันแลมเช่นเดียวกัน อ่ะจ บ, จบจบตรงนั้นเรื่องราวแรกไปทางทิ่ตะวันตกแล้วแลต่เราก็บอกว่ายังไงต่อซุมมอัตบะะบะบะหลังจากนั้นโกลกนันก็เริ่มเคลื่อนไปยังทิ่ตะวันออกแต่ฮัตตาอิซาบะละะมัตเละชัมสจนกระทั่งถึงเขตที่เป็นดินแดนทางตะวันออกเนี่ยเจอกับอะไรครับ วจัดฮาตัตลูอ์อัลาห์าว์มินไปเห็นนะครับคนที่เป็นคนกลุ่มหนึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในดินแดนของคนที่เลมนาญัลละฮุมมินดูนิฮัสิตรอพระเจ้ตเราบอกว่าเราไม่ได้ทําให้พวกเขามีสิ่งกํำบังจากดวงอาทิตย์อะไรเอ่ยอะไรคือความหมายของอายันี้ คนที่ไม่มีอะไรกำบังตัวเองจากแสงอาทิตย์มันหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าไม่มีบ้านเรือนต้องอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือบางบทักเซธอธิบายว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่อันนี้อธิบายตักเซธเก่าๆทักเซธใแบบคลาสสิกก็จะอธิบายลักษณะอย่างนี้ไม่มีทั้ง a บ b i n a วลมาลเบสไม่รู้จักการใช้เสื้อผ้า ก็คือล่อนจ้นหรืออาจจะเอาอย่างอื่นมาปกปิดพวกเราอยู่ในยุคที่จินตนาการไม่ออกเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อผ้ากันแล้วใช่ไหมครับแต่ถามว่าปีนี้2020ยังมีไหมคนชนเผ่าพื้นเมืองที่ไม่รู้จักใส่เสื้อผ้าพวกเราคิดว่ามีไหมฮะคือบางทีเรากลัวว่าพอเราจะคุยเรื่องอายัดแบบนี้ คนที่ไม่รู้จักเสื้อผ้าคือเราจินตนาการไม่ออกมีด้วยหรือในโลกยุคปัจจุบันในโลกที่คนที่ไม่รู้จักใส่เสื้อผ้าอย่าว่าแต่โลกยุคก่อนเลยนะครับยุคนี้ยุคนี้ยุคทุกวันนี้ของเรานี่มีไหมคนเผ่าที่อยู่โดยที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแล้วต้องไปดูที่ไหนอะประเทศอะไรบ้างอะพวกเราคิดว่าต้องไปประเทศไหนจะได้ดูคนแบบนี้ ว่าไทยก็มีที่ไหนเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกไม่ต้องแปลกใจไว้ อ, อัลกุรอานกําลังพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอ่ะคนไม่มีเสื้อผ้าใส่อย่ารอไม่กี่พันปีไี่สองพันสามพันปีที่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่คนไม่มีเสื้อผ้าใส่สองพันปีที่แล้วไม่ต้องพูดถึงเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีชนกลุ่มเผ่าที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ เพราะนั้นจะไปแปลกอะไรแต่ครับกลัวว่าเราจะจินตนาการไปว่าเฮ้ยแล้วคอ่านพูดเรื่องไร้าสาระหรือเปล่าไม่นะครับเป็นเรื่องจริงนี่คือทัฟซีดแบบแรกที่เขาอธิบายว่าไปถึงดินแดนหนึ่งซึ่งคนไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่เป็นการป้องกันจากจากแสงอาทิตย์ในขณะที่นักทัฟซีดหลังๆยุคหลังๆนักวิชาการสมัยใหม่นี่เขาอธิบายว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีกลางคืน มินดูนฮะชิตรอเพราะว่าเวลาที่เรามีกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมครับกลางคืนจะไม่มีแสงอาทิตย์ผู้คนก็จะได้ปลอดภัยจากแสงแดดทีนี้ดินแดนที่อัลาลอฮ์ตรัสบอกว่าลมนจัลละหุมมินดูนี่ฮะชิตรอไม่มีสิ่งกํำบังพวกเขาจากแสงอาทิตย์เป็นดินแดนที่ไม่มีกลางคืนมีไหมในโลกนี้ดินแดนที่ไม่มีกลางคืนแถวไหนพวกลกเหนือสุพรานัลลเหร ในสมัยของท่านนาบีบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ้ยมีด้วยดินแดงที่ไม่ใช่ท่านนาบีเอ๊ะที่ที่ไม่ใช่ที่ไม่มีกลางคืนแต่มันก็มีจริงนะพอถึงยุคหนึ่งอ้าเราเห็นชัดเลยว่าแม้กระทั่งโลกใบที่เราอาศัยอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นไปดาวอื่นไม่จำเป็นต้องไปดาวอังคารดาวพระหัสสุ บ, บดียังมีสถานที่ที่คนยังเข้าไม่ถึงอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ สุขานัลอสุลกอร์ไนน์ไปถึงแล้วลองคิดดู <laughs> กี่ปันปีวันนี้เรามีทุกอย่างดาวเทียมจรวดโบอิงเฮลิคอปเตอร์ GPS นู่นนี่นั่นแต่ยังไม่สามารถที่จะดิสคอเวอรี่ได้หมดโลกทียังไม่หมดนะ เขายังสำรวจไม่หมดทีนะแม้เรามีเนี่ยปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์มีอะไรตั้งเท่าไหรไม่รู้อะไรมากมายถามว่ารู้เรื่องโลกนี้หมดหรือยังยังมีอีกหลายที่ที่ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นสุบฮรณอัลลอฮ์อัลกุรอานไม่ได้พูดเรื่องไร้าสาระนักการที่ดุลกรารเนได้รับอํานาจจากอัลลอฮ์สุบบานุตาลารับความสะดวกสบายจากอัลลอฮ์สุบบานุตาลาให้ไปถึงยังดินแดนเรื่องดินแดนแบบนี้เนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องมาสาจยนมากๆนะสุภานัลนแหละเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่อัลลอฮฺสบอกว่า كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا นั่นแหละนั่นแหละที่เรารู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จุลกนในเนี่ยได้ทาได้ไปถึงได้ไปเห็นตามว่าอัลตัลารู้ไหมอัลตัลารู้หมด แล้วใครเป็นผู้ที่ทำให้สุลต่ในไปถึงที่ตรงนั้นดินแดนนั้นก็เป็นอัลลอฮ์สุบฮานอัลต้าล่านะครับมาชะอัลลอฮะทิศตะวันตกก็ไปแล้วจนถึงทิศตะวันออกนั่นแหละสุลต่านจึงได้ชื่อว่าเป็นสุลการานน่นะอุลาม ะ, ะที่มาที่ไปของชื่อสุลกา่านนเนี่ยมีการมีการอธิบายเยอะแยะมากมายเลย พวกเราเข้าใจว่าอย่างไงสุลการแนจริงๆแล้วคำว่าก้อนเนี่ยกอนเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าเขาเราก็เลยเห็นคนที่อธิบายว่าสุลการแนนี่เป็นกรรษัตริย์ที่มีสอเขา <laughs> แล้วก็มีภาพวาดต่างๆนานาที่เราไปดูในยูท b e อะไรเองก็มีเหมือนกันนะทำเป็นรูปเขาเหมือนเป็นหมวกมีรูปเขา <laughs> อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการอธิบายที่บ้าอฟมากเลย นะครับการอธิบายอนโนการิดในอินโกซิดเองก็บอกว่าคําอธิบายที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดที่ว่าทำไมถึงได้เชื่อจุลกรดไก็เพราะว่ากรรษัตริย์ผู้นี้ได้เดินทางครบทั่วเลยทั้งตะวันออกและก็ตะวันตกตะวันออกกับตะวันตกนี่เหมือนกับเป็นเป็นอะไรคือครบหมดและเออเป็นเขาเป็นเป็นเหมือนกับอนาเขตอ่ะก็เลยได้ชื่อว่าเป็น จุลกรไนนะครับอ่ะมาถึงเรื่องสำคัญเหตุการณ์สำคัญที่จุลกรไนไปเจอซุมมาอัจบะะซาบะบาหลังจากนั้นจุลกรไนก็เริ่มเตรียมการอย่างอื่นอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับ حت ่า إذا بلغا بين ا ل ด د د ي ن จนกระทั่งเดินทางมาถึงสถานที่ที่เรียกว่าอัจ ส, สดได้นก็คือภูเขาสองลูก ใหญ่ว่าจะดะมินดูนิหิมาเก้ามาไปเจอกับใครไปเจอกับคนอีกแบบหนึง่งเจอกับคนอีกกลุ่มหนึง่งซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเลย์กหูนาเก้ลาเป็นคนที่พูดไม่เข้าใจพูดไม่รู้เรื่องภาษาที่พูดสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง อาจจะสื่อสาไม่รู้ว่าจะสื่อสารกันยังไงนะครับตับเบางบางตับเส้นก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่มีอรารยธรรมอยู่ในสภาพก็ลองนึกชาวป่าลองนึกอะไรแบบนี้อยู่กันแบบนะเราจะเรียกว่าชาวอะไรดีชาวถ้ำชาวอะไ ร, ไ ม, รไม่เข้าใจพูดไม่เข้าใจอ่าและยอฟตองนาเก่าแหละในนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ อะอัมมาอลอุมม์ในแดิอิไม่ใช่หมายงว่าจ้าเนอแล้วไม่เชวาอินเดอมตินละตุติละตุฟัตเฟหมายถึงเป็นคนที่โง่เขลาเป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นคนที่อยู่กับป่าเป็นชาวป่าน่ากินลตูฮ แล้วก็ไม่มีไม่มีความสามารถใดๆวกิลละตุตาดบีดไม่มีการจัดการคือไม่มีอะไรยธรรมนะครับโลหตุนกรีบอะอุมมะจนมจฮูละอาสาพูดก็ฟังไม่รู้เรื่องอแล้วก็อยู่กันไม่รู้เรื่องแต่คนเหล่านี้ก็สื่อสารกับจุลกันนจนเข้าใจนะครับได้ว่ากอลูยะเดลกันนัเล่าให้ฟังนักร้องเรียนกับจุลกันน อินนยาจูจาวมาจูจามุฟซิดูนะฟิลอาล์มาละเรื่องราวที่เราอยากจะฟังแท้จริงแล้วยาจูจกับมาจูจ์ยาจูชัวมาจูจเนี่ยเป็นชื่อของประชาชาติกลุ่มหนึ่งมุฟสิดูนะฟิลอรล์เป็นคนที่คอยทำลายทาั้งสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน ในตับซีของอาจารย์บรรจงอยดูนิดหนึ่งมีอธิบายไหมนี่ไงน้ถ้าใครมีเล่มสีแดงของอาจารย์บรรจงนะจะมีหมายเหตุอยู่ข้างล่าง69นะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข่าวที่ว่ายะยุธมาจุธเป็นชนเผ่าป่าเถื่อนทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียเคยล่วงล้ำบุกรุกเข้ามาในอาณาจักรต่างๆเอเชียและยุโรปมาตั้งแต่ต้นตามคัมภีร์ไบเบิลนในคัมภีร์ไบเบิลก็มีพูดนะ คนฝรั่งหนึ่งเขาจะเรียกยาจูจูว่ากอฟม า, ากกอฟเกิกได้ยินไหมครับนะก็อฟมากกอฟก็ เ, เป็นลูกหลานของนบีโน่เช่นเดียวกันอ่าบางก็บอกว่าเป็นลูกหลานของยาฟิสยาฟิสซึ่งเป็นลูกของนบีโน่อ่านักปรัติศาสตร์มุสลิมก็ยอมรับเรื่องนี้อันนี้คื อ, อยาจูจูว่ามาจูจู มันเกี่ยวข้องกับสัญญาณของวันเกียร์มัดด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยา่าอยุจกับมะายุจเนี่ยจะออกมาตอนใกล้วันสิ้นโลกนะครับเดี๋ยวเราจะไ ด, ได้ได้ลองอธิบายเรื่องนี้ดูนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะชาวบ้านร้องเรียนกับซุลกรารไนน์ว่าอยา่าอุจกับมะาจุจเนี่ยออกมาสร้างความเสียหายว่ากันว่าคือ สร้างความเสียหายยังไงเหมือนกับว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะผ่านอะไรก็คือกินหมดในฮะดิษที่พูดถึงสัญญาณวันเกียมัตเนี่ยวันที่ยะยูจุอามาจูจเนี่ยออกมาจากที่ซ่อนของพวกเขาเนี่ยเดินทางมาถึงทะเลสาบที่เรียกว่าบุไฮระตาบรีหรือทะเลสาบกาลิลี ดูในแผนที่เนี่ยลองหาดูในก o o g l e ทะเลสาบกาลิลีจะอยู่ทางตอนทิศเหนือทางตอนอยู่ในประเทศอิสราเอลปัจจุบันนี้อยู่ทางตอนเหนือของจอร์แดนทะเลสาบกาลิลีชุดแรกที่มาถึงยาอัดยว่ามาจัชชุดแรกที่มาถึงนี่นะจะกินน้ำในทะเลสาบกาลิลีจนแห้งมีไง อ่าแปลกมากเลยคือจะกินกินแบบกินจริงๆจนกระทั่งชุดหลังที่มาเนี่ยมาถึงปุ๊บ ก, กินน้ำไม่ได้พวกเดียวกันเนี่ยไม่สามารถที่จะกินน้ำในทะเลสาบได้เพราะว่าขดไอ้พวกแรกนี่มากินจนกระทั่งแห้งหมดนี่คือตัวอย่างของการที่คนพวกนี้สร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าชาวบ้านร้องเรียนกับกษัตริย์ว่าเนี่ย พวกนี้มันออกมาทำลายเรือสวนไรนาของเราหมดเลยมากินอาหารของเราเสียหายหมดเลยนะครับฟะฮลนจัลุลคัรจันลอันัจัลบนนวบนมัะก็เลยเสนอกับโยกรไนน์ว่าเป็นการตั้งคำถามแต่ตั้งคำถามเพื่อขอความช่วยเหลือเอาไหมเราจะให้ เราจะหาผลตอบแทนให้กับท่านเราจะหาบรรณาการให้กับท่านด้วยการที่อันจะน ع ل า ي ن ن ا บ ب ي ม ه م ดดาโดยที่ท่านช่วยเราสร้างเขื่อนคำว่าซั ด, ดในภาษาอังกฤเนี่ยหมายถึงสิ่งกั้นที่ใหญ่โต ภาษาเราก็คือเขื่อนนั่นเองสร้างกำแพงให้ใหญ่แล้วก็ปิดช่องทางที่เป็นทางทางผ่านของพวกยาจูชกับมาจูชเนี่ยไม่ออกมาทำลายบ้านเรือนของเราไม่ออกมาทำลายเรื่องสวนไร่นาของเรานะครับถามดุลกราร์ไหนอ่ะนี้ดุลกราร์ไนตอบว่าอย่างไง ฟะล์นจงวอาล่ะคว بين นเรา و ب ว ن หุ ن ่มสดเดอข้าว่าแม้เคนี่ฟีห์รบบีขี่ร์ตกลงจุลกัรนัยนรับไหมทรับสินที่คนเหล่านั้นยืน่นเสนอมาให้จุลกัรนัยนบอกว่าเนี่เราจะได้เราจะได้เห็นว่าคนที่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยเห็น ไ, ไหมครับคำตอบของเขาออกมาว่าอย่างไงก็และดุลกัรนัยนตอบว่า มาเมกค น, นีสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะอ้วะตะลามาเมตค น, นีฟีรบบีสิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันได้ให้กับฉันอัลลอตะาล่าให้อะไรบ้างกับโจลกนนั้นโอ้อย่างอื่นเยอะแยะเหมือนกับว่าไอ้ทรัพสมบัติเล็กน้อยที่ชาวบ้านจะให้กับตัวเองเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับฉันหรอกไม่ฉันไม่ต้องการหรอก ที่ฉันมาช่วยเนี่ยไม่ได้มาต้องการที่จะเอาค่าจ้างหรือมาเอาค่าตอบแทนอะไรจากพวกเจ้าใดๆทั้งสิน้น阿拉ตาลาให้ฉันมากกว่านั้นอีกโอเคฉันจะช่วยพวกเจ้าสร้างเพราะฉะนั้นไม่ได้รับไม่ได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นตัวเองมีเยอะแล้วอะัมีเยอะแองทีเยอะแล ต้องการก็คือในในการอธิบายของของนักวิชาการสมัยใหม่เนี่ยอธิบายว่าอย่างนี้เหมือนกับว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยหนึ่งไม่มีความรู้แล้วก็ทำอะไรไม่เป็นเป็นแต่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจะไปต่อสู้กับยะยุดมะยุดนี่ไม่มีความสามารถก็เลยรังนั่งรอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่สุลก้นในก็เลยต้องการที่จะเปลี่ยนนิสัยคนเหล่านี้ เข้าใจไมครับไม่ให้คอยแต่จะพึ่งคนอื่นแต่ให้ให้อะไรเขาเรียกให้ฮะให้ทำด้วยตัวเองให้ให้ให้ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ต่อสู้ให้รู้จักต่อสู้อันนี้เป็นบทเรียนเหมือนกันว่าบางทีนักคนที่เป็นผู้ปกครองไปเจอชาวบ้านอเนี้เราเราเราเรามาถึงบทเรียนเรื่องนี้ บางทีคนที่เป็นผู้นําในชุมชนอยากแต่จะมาให้ให้ให้ใ ห, ให้ในขณะที่ชาวบ้านทําอะไรไม่เป็นคนที่อยู่ใต้ปกครองก็คือติดนิสัยอพอไม่ได้อะไรก็คือไปขออย่างเดียวขออย่างเดียวไม่ได้ทําเองไม่ได้นู่นนี่ไม่ได้แก้ปัญหาไม่รู้จักวิธีการแก้ปัญหาถ้าเป็นประชญานะครับประชญาเนี่ยมาชอลละประชย า, า الله, ประชญ า, าที่เขาใช้อของอ อ่าที่เขาบอกว่าไม่ใช่ให้ปลาแต่ให้ให้เบ็ดเพื่อให้รู้จักในการตกปลาประมาณนี้อ่ซุลกอร์ไนเนี่ยก็ทํากับชาวบ้านหรือว่าคนกลุ่มนี้ก็ประมาณนี้ซุลกอร์ไนบอกว่าจริงๆแล้วซุลกอร์ไนาสามารถที่จะเรียกกองทหารมากองตัวเองมีกทหารมากเท่าไหร่มีอํานาจเท่าไหร่ทาเองโดยที่ชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ต้องทําอะไรก็เสร็จก็ไม่มีปัญหาแต่ซุลกอร์ไนไม่ได้ทําอย่างนั้น เรียกคนที่มาเชาบ้านที่มาร้องเรียนกับตัวเองนี่ว่าซาอินูนีเบกัวช่วยฉันลุกขึ้นทํางานกับฉันอย่าให้ฉันทําคนเดียวให้ลุกขึ้นมาทํางานให้ลุกขึ้นมาช่วยอย่าได้ขี้เกียจนะอ้นูนีเบกัวช่วยฉันให้อย่างขยันขันแข็งเบกัวก็คือด้วยกําลัง เอ็งหนูนีบ قوة ฟ้าเอ็งหนูนีบ قوة จเจ้าเบียนคุณว่บยนหุมรอดมาเดี๋ยวฉันจะช่วยนะฉันจะทำกำแพงกัน้นระหว่างพวกท่านและพวกเขาเหล่านั้นก็คื อ, อยะยุดกับมาจุดได้ใช่ไหมครับหรือกรณ์นายบอกว่ามามาช่วยกันพวกเจ้าก็ต้องทำงานไม่ใช่ปล่อยให้ฉันทำอยู่คนเดียว ให้ทํำยังไงขั้นตอนของมัน น, น, นี่คือขั้นตอนในการสร้างเขื่อนของจุลกลไกอาตูนิซูบราร์ลฮดัดีดนาแผ่นเหล็กเอามาให้ฉันซูบาร์ลฮัดีดหมายถึงชิ้นเหล็กอันใหญ่ใ ญ, ใญ่ไปหามาแล้วก็เอามาถมเอามาตั้งกองตั้งตั้งตั้งถมถมมีเท่าไรออกมาให้หมด حتى إذاساوا بين الصدفين จนกระทั่งกองสูงจนกระทั่งมันเท่ากับยอดเขาทั้งสองด้านเอามาถมระหว่างช่องเขาสูงขนาดไหนสูงจนกระทั่งถึงเทียมยอดเขาทั้งสงด้านอะอะซาดะฟังทำไมถึงยอดเขาทั้งสงด้านยานีเบง พอสมถมสูงขนาดนั้นแล้วก็คำสั่งที่สองปอลังฟูคูได้เหล็กมากครบแล้วให้จุดไฟเพื่อที่จะให้เหล็กมันหลอมให้มันเหลวนะครับหลอมเหลว ح าอ إذا ج ع ل ูนาร ا จนกระทั่ง อุฟุ้งูเนี่ยหมายถึงเป่าลมเป่าลมก็คือจุดไฟแล้วก็เป่าให้มันให้ไฟนี่มันลุกนะฮะถ้าอิจ่าจะะละฮูนารจกระทั่งกลายเป็นไฟล้อมเหลวแล้วเนี่ยกอลาอัตูนีคาสั่งที่สามก็มาอัตูนีอุฟรัลัยฮิคตราะเอาทองแดงมาเอาทองแดงมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาเคลือบ กองเหล็กที่ตั้งเอาไว้เนี่ยให้มันแข็งแรงเป็นการเชื่อมให้เหล็กทั้งหมดที่ตั้งกองอไว้เนี่ยมีความแข็งแรงมั่นคงมากขึ้นอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมของจุลกรในเหล็กอย่างเดียวบางทีไม่แข็งแรงพอต้องหาอะไรมาด้วยต้องหาทองแดงมาเคลือบให้มันแข็งแรงที่สุดจนกระทั่ง ไม่สามารถที่จะเจาะทะลุผ่านเข้ามาว่ลลาเราของอะมอันนี้ต้องไปถามไอ้คนที่เรียนเคมีว่าธาตุเหล็กกับทองแดงเนี่ยอันไหนที่มันแข็งแรงกว่า น, นะก็เป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ด้วยเป็นการลองลองไิสูน ด, ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงสร้างอะไรนะอ๋อนี่ไงนะักวิทยาศาสตร์ของเรา เพราะลังทั้งเหล็กอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะขึ้นสนิมโดนโด น, น้ําโดนนู่งโดนนี่ก็อาจจะผุทําลายแต่ถ้ามีทองแดงอยู่ข้างนอกเหล็กก็จะไม่ขึ้นสนิมมาชอลลอนี้ผมกนะ็ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะนี่ยบางวามัดบอกแล้วอธิบายแล้วนะครับว่าทําไมที่ต้องมีทองแดงมาหลอมเพื่อเคลือบเหล็กด้วยมาชอลล์อ่า ฟัมอัตต์ต้าฟ wow. ัม أَنْ ي َ ah ja> ْ้ ه َ ر ُนยัจฮَรู س ْ ت َ ط َ ا ع ُ و ا ้าอูหลูนั้นสร้างเขื่อนใหญ่กับเหล็กกับทองแดงใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยอาราตัลก็บอกว่าฟัมอัตต้าอูอันยัจฮารูกัมพนี้ทำให้ยะจูจและมะจูจไม่สามารถที่จะขึ้นมาข้างบนได้ยัจฮารูหมายถึงว่า ปีนขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะข้ามกำแพงมาทำไม่ได้แล้วเพราะมันสูงมากวอมัส ต, ตอตอตละฮูนักบานอกจากจะปีนขึ้นมาข้างบนไม่ได้แล้วจะเจาะให้มันเป็นรูก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันมาถึงอ่ามาถึงจุดนี้มีอีกนิดหนึ่งที่น่าสนใจอัลกุรอานนี่น่าสนใจมากเลยนะครับอายัดนี้อายัดเดียวเนี่ยอัลกุรอานใช้คำที่แตกต่างกัน ระหว่างปีนกำแพงปีนเขืออเข่อนกับเจาะเขื่อนอันไหนง่ายกว่าอันไหนยากกว่าอืมมันยากทั้งสองนั่นแหละแต่ว่าอันไหนที่ต้องใช้กำลังน้อยกว่าหรือใช้เวลาน้อยกว่าพวกเราคิดว่าไหนอะปีนอาจจะง่ายกว่า เจาะเนี่ยกว่าจะเจาะได้อะไรยังไงสังเกตดูอัลกุรอานใช้คำสองคำแตกต่างกันฟาสตอ อ, อันแรกอันที่สองว่าเส ต, ตัตา อ, อได้ไหมเราเคยอยธิบายเรื่องของเรื่องของคาเดรกับมูซาตรงนี้ก็เหมือนกัน <laughs> เห็นแล้วใช่ไหมครับฟาสต อ, อูอะไรหายไป อะไรตัวอะไรไม่มีว่ามาตออะไรที่หายไปอะไรที่มีอยู่แล้วก็อะไรที่ไม่มีตัวตาไม่มีอันแรกตัวตาไม่มีอันที่สองมีมีตัวตาด้วยฟ้ามสต่อูนีมันเบาะมันมันไม่มีตาเวลาออกเสียงมันก็เบากว่าเพื่อที่จะบอกว่าการปีนกำแพงเนี่ยมันง่ายกว่า เจาะกำแพงแม้กระทั่งการปีนกำแพงเองเนี่ยพวกย่าจุดกับมายุดก็ทำไม่ได้เลาแต่ลาใช้คำว่าฟาเมสต์อโดยที่ไม่มีตาในขณะที่การเจาะซึ่งมันยากกว่าก็เลยใช้คำว่าฟาเมส ต, ต่ตอซึ่งเวลาพูดมันก็หนักกว่าต้องใช้คำเพิ่มมากกว่านี่คือความสวยงามของสำนวนในอัลกุรอานในกรที่เป็นภาษาอาหรับ มัชชาลลอเห็นมันมีความแตกต่างกันก็เหมือนกับเรื่องราวของคาเดรกับมูซาตอนที่มูซายังไม่ได้รับคําตอบคาเดรบอกว่ามาลัมตัสต์มีตาอยู่ตัวหนึ่งแต่พอมูซารู้คําตอบแล้วคาเดรบอกว่ามาลัมต uh ัสเตตาตัวนึงหายไปอตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเอลกุนารู้สึกว่าจะมีอยู่นในสุรหนี้เองเนี่ยมีอยู่สองครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะลาพูดอย่างนี้มชาชอาลลอ หลังจากที่เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นสุลกรนในอีกครั้งหนึ่งพูดออกมาว่าเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ผลงานทั้งหมดที่ตัวเองทำเนี่ยไม่ได้เอามาโอ้อวดและไม่ได้บอกว่านี่คือผลงานของตัวเองแต่กลับบอกว่าฮาดารอห์มะจุมมิร์บบี ทั้งหมดทั้งปวงที่ฉันเห็นเนี่ยที่เราเห็นความสําเร็จทั้งเขื่อนทั้งอะไรแล้วแต่ทั้งหมดที่ป้องกันยุจย่ยุดกับมอายุจได้เนี่ยเป็นราะมะุนมิรอบบีเป็นความเมตตาจากพระเจ้าของฉันไม่ใช่ผลงานตัวเองแต่เป็นความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์พี่น้องครับลองนึกสภาพดูถ้าสุลการในไม่สร้างเขื่อนนั้น ทุกวันนี้เราจะอยู่อย่างไงถ้ายะยุจมะยุจออกมาตอนนี้เราจะอยู่อย่างไงมีความเมตตามไหมสุบภานัลลหรอนี่คือความเมตตาไม่รู้ตั้งกี่พันปีมาแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้เราไม่ถูกทําลายโดยยะยุจกับมะยุดย ش, เป็นความเมตตาจากใครท่านอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮ์และนี่คือสอดกะจาริย์ของซุลการไน Nabi juga akan mengkonatib bahwa ini adalah sedekah jariah yang yang hebat dari Zulkarnain. Percadaran seluruh dunia dapat mendapatkan manfaat dari kekuatan Zulkarnain, dan tidak akan terjadi kerusakan pada kekuatan z u l k a i n Masya Subhanallah. j a a l a d i u r Jika b e r n a maka t a k p a t k u a g b r i a a e r j a a d i i t a n t k a e b a r l a h e maka t k e u r r j a e d a k i t k a i t a k a n mendapatkan kekuatan yang besar. Jika Allah b e r j a n e k a a k a n k e n a n g e s e r t i t a n m a k a n k e k u t a b e r j i h i t a m m e n d u a t a n t i t a m e n t k a n e k u a t a n อซาอดูรีและเมื่อถึงกำหนดสัญญาของพระเจ้าได้มาถึงยลพระองค์ก็จะทำให้เขื่อนที่ว่านี้ราบเรียบพังหมดเลยสุดท้ายยาจูจกับมาจูด จ, จะเจาะเขื่อนนี้ได้สำเร็จวแกวอลดระบีกและสัญญาของพระผู้อภิบาลนั้นจะต้องเป็นจริงเสมอ มีใน ح د ดีษที่ระ บ, บุว่าไวล์น์ للعرب من ร ر القدي ิ r a b i บท่านนาบีบอกว่าความเสียหายของพวกอารับใกล้เข้ามาถึงแล้วในวันที่ท่านนาบีพูดเนี่ยท่านอธิบายว่าเนี่ยจะมีอยู่ในฮะดีษนะคะรับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมมาเนี่ย ลาอิลลฮิอัลลอลลอารบใื่น้นาย ب ล ح มุสล um, ิองานนะนนะท่านน่านนานนะท่านนะท่านนะท่านนะท่านนะท่านนะท่านนะท่านนะท่านนะท่านนะท่านนะานนะท่านนะท่านนะท่านนะท่านะท่านนะะท่านนนะะะะะท่านน่นนานน่นาท่านนะท่าน่า่าาาะาาะนะาาา ฟ ت ต اليوم م นรดมยาจูช์และมาจู و ์เหมือนลูพ่าดะวผลักว่าในนี้วของยาจูชกับมาจูชเนี่ยถูกเจาะแล้วประมาณนี้และท่านก็เอานิ้วของท่านมาทาเป็นวงกลุ่นบี่จะเสียหายเราจะเจอกับความหายนะทั้งๆที่ในเราหวังพวกเรามีคนดีอยู่มากมายหรือ ก็ละน้ำอิดักกรัลขับท่านนาบีบอกว่าใช่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนที่ศรัทธาต่อเราแต่ากาจึงแต่เราวันหนึ่งเราก็จะถูกทำลายถ้าหากว่าความชั่วมันมีมากเกินวอรยาตระบิลละเรื่องราวของอยะจูชกับมะจูชเนี่ยการจเจาะเขื่อนเนี่ยมันจะมีอยู่ในรายงานอื่นที่บอกว่าทุกวันยะยูชกับมะจูชเนี่ยจะมาเจาะแล้วก็จะ เจาะได้เจาะได้ทุกวันนะพอถึงบกข้ามปุ๊บก็หยุดและก็พูดว่าวันนี้เราหยุดแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เราค่อยมาเจาะใหม่พอกลับไปตื่นขึ้นมามาถึงวันพรุ่งนี้จะมาเจาะอีกรอบหนึ่งอัลลอฮฺแตละตาลาทำให้เขื่อนที่ว่านั้นปิดเหมือนเดิมปิดเหมือนเดิมเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺ س ลทสุขขกณับาะเจามิฟารมาตุมมิรับบี จนกระทั่งถึงเวลาที่พวกเขาจะออกมาจริงๆพวกเขากล่าวว่าอย่างนี้นะเจาะเสร็จปุ๊บพอตกเย็นจะกลับบ้านวันที่เคื่อนจะพังเนี่ยยะยูจจะมายูจจะพูดว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เราค่อยมาเจาะใหม่อินชาอัลลอฮ จำได้ไหมอินชาอัลลอฮฺอยู่ในอยู่ในเรื่องอะไร <laughs> อยู่ในเรื่องเอออยู่ในคำสั่งของเลาตอนตอน้นตอนกลางของสุรที่เราอ่านเนี่ยเห็นหอย่าลืมอินชาอัลลอปรากฏว่าถึงเวลาแล้วที่เขื่อนจะพังอย่าจุดกันมาจุดเจาะเขื่อนเสร็จก็กล่าวว่าอินชาอัลลอฮตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ปรากฏว่ารูที่ว่านั้น อยู่เหมือนเดิมก็คือไม่ไม่ไม่ได้ถูกปิดเหมือนรอบแรกละยังยังเป็นรูอยู่อย่างนั้นก็ไปเจาะต่อไปเจาะต่อก็อินชาอัลลอฮ์จนกระทั่งสุดท้ายกําหนดของการที่ยะยูชกามาญุษจะออกมาในวันสิ้นโลกนะในวันก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกเนี่ยก็มาถึงนะอันนี้ก็ต้องไปอ่านในเรื่องราวของอาเลมัตุสซาเรื่องราวของการที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะละจะส่งยะยูชกามาญูษนะครับ มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนบีอิสลาฮิสลามลงมาปราบดัจาลทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยละดัจาลตายไปละนะอัลลอลฺก็ส่งยะจูดกับมาจูดมาจนกระทั่งท่านนบีอิสลาฮิสลามกับกองทัพของอิบลามมัดีต้องหลบขึ้นไปที่ภูเขาตูรตูร์ซินันะครบางบางคนบอกว่าต้องขึ้นไปหลบเพราะว่ากลัวทําอะไรไม่ได้มันออกมาเต็มมิงคุลิฮัดะบยะจูดกับมาจูดเนี่ยมาออกมาจากทุกมุม ออกมาทั่วหมดและไม่มีใครสามารถที่จะกำราบยายุศกามะจุศได้นอกจากหนอนที่ อ, ลอลัลลอฮฺสรงมาให้มาอยู่ที่ต้นคอของคนเหล่านี้แล้วก็จะตายเองนอนเป็นตัวมาเจาะทำลายให้ยะยุศกามะจุศเนี่ยตายเกลื่อนบนหน้าแผ่นดินแล้วก็เต็มไปด้วยซากศพของยะยุศกามะจุศนี่เต็มไปหมดอ่านี่เรื่องคือเรื่องราวของอก่อนวันเกียร์มัน ต้องไปดูในในใ น, ในประเด็นของอาเลมจุสซาต่อไปนะครับว่าเรื่องราวในวันนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้คือสุลต่านในวันนี้เวลาหมดซะก่อนเดี๋ยวอินชาอัลลอ์รอบหน้าเราจะมาถอดบทเรียนรวบยอดนะครับว่าเรื่องของสุลต่านในเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างในฐานะที่สุลต่านในเป็นกษัตริย์แล้วก็นูนนี่นั่นอัลลอ์สะไรให้อำนาจสองสามสี่ห้าหอย่างอะไรเนี่ย ได้รับบทเรียนอะไรบ้างที่เราเอามาใช้จริงๆในชีวิตของเราได้อินชาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺ تعالى ละัลัมาะฟาะนัลลอฮฺ وإياكم لما يحبو يرضح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحان ربي كرب العزة تَعْمَى ي َ س ِ ف ُ و وَسَلَامٌ عَلَى ا ل ْ م ُ س ِ م ِ ي ن َ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ا ل ع َ ا ل َ م ِ ي ن َ وَسَلَامٌ ع َ ل َ ي ْ ك م ْ و ر ح ْ م ُ ا ل ل ه ِ و َ ر ك